เราก็ได้สวดมงคละสูตรเนาะเป็นพระสูตรนะที่พุทธเจ้าท่านสอนทั้งธรรมนุษย์แล้วก็เทวดาให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนะมันมีอะไรบ้างนะก็มีสามสิบแปดประการอี่ยที่เราเราได้สวดสที่จริงก็เริ่มตั้งแต่ วงคลภายนอกอะนกระทั่งถึงวงคลภายในนะวงคลภายนอกเช่นการการไม่คบคนพาลหรือว่าการครบบัณฑิตหรือการเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรทิดาการสมครอบหมู่ญาติอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับกับบุคคล น, ะนะข้างนอก หรือรวมทั้งการรู้จักมีศิลปะวิทยาคึอมีมีความสามารถนะที่จะประกอบอาชีพนอะมีศิลปะวิทยารู้อะไรนะสักอย่างหนึ่งก็สามารถทําเป็นอาชีพได้หรือรู้หลายอย่างทําเป็นหลายอาชีพก็ได้อันนี้ก็เป็นมงคลนะมงคลของชีวิตนะ รวมทั้งการที่มันเป็นสภาวะข้างในด้วยนะสภาวะข้างในที่ชัดเจนเช่นะเมื่อโลกธรรมนะโลกธรรมก็คือสิ่งนะฝ่ายบวกหรือสิ่งฝ่ายลบที่เข้ามากระทบจิตใจนะไม่ว่าจะเป็นนินทาสนันเซิสุนทุกขนะ์ได้หรือเสียนะคุณแน่มากระทบ ือเกิดขึ้นกับร่างกายือเกิดขึ้นกับจิตใจแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวเป็นะนทั้งเราทำนิพพานให้แจ้งได้นะี่ก็เป็นมงคลอันสูงสุดเลยนะก็มงคลในชีวิตเรามันก็มีนะทั้งจากการที่เราเกี่ยวข้องกับข้างนอกเกี่ยวข้องกับสิ่งของรวมทั้งสิ่งที่เป็นสภาวธรรมในจิตใจนะนะจริงถ้าเราจะดูดีดนะ กนะารไม่คบคนพาลที่แท้จริงคืออะไรนะบุคคลภายนอกที่เป็นคนพาลคนไม่ดนะีอันนั้นก็เป็นคนพาลอย่างหนึง่งนะแต่ที่จริงคนพาลที่แท้จริงนะก็จะคนพาลก็คือกิเลสนะในใจของเราไม่แบะนะกิเลสในใจนะ อาุนศนที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละคือคนผ่านที่น่ากลัวกว่าคนผ่านภายนอกนะคนพานิชย์ภายนอกเนี่ยมันก็ยังเขาก็ไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเวลาเนาะนะก็เจอกันบ้างนะอยู่คนละบ้านกันบ้างนะพบปะกันบ้างหรืพบกันบ้างนะหรือบางคนเราก็ไม่รู้หแบกข้างนอกดูดีข้างในอาจจะเป็นคนผ่านก็ได้นะ แต่เราก็ให้รู้จักมีความเฉลยียดฉลาดในการครบในการเกี่ยวข้องกับผู้คนอันนั้นก็ดีล ะ, ะแต่จริงคนพานในใจเนี่ยมันน่ากลัวกว่านะคนพานคือตัวลักคิดหรือว่าตัวอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนะถ้าเราไปคบไปค้อมกับมันเนี่ยเราก็จะคอยเกิดความทุกข์ใจนะ เดือดร้อนในใจของเรานเะนี่ยคือคนานภายในนะหรือตัวให้รู้จักคบบัณฑิตบัณฑิตถ้าดูภายนอกก็อาจจะเป็นพระอาจจะเป็นผู้มีการศึกษาหรือผู้ที่เคยบวชเรียนผู้ที่มีธรรมะนะอันนี้เรียกว่าบัณฑิตนะเพราะว่าบัณฑิตก็จะชี้ทาง ทางที่สว่างทางที่ดีนะหรือว่าไม่พาไปในทางที่ชั่ว น, นี่ก็บัณฑิตภายนอกนะเราก็ควรคบหาว่เาเป็นกัลยนาณมิตรนะเป็นมิตรที่ดีนะคอยตัเกเตือนคอยชี้แนะทางที่ดีของเราเราก็คบหายัางก็รวมทั้งบัณฑิตในในตัวเราด้วยนะก็สําคัญนะบัณฑิตในตัวเราคืออะไรคือกุศลธรรมต่างๆอ กุศลสิ่งที่เป็นกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราควรพบหาเขานะเราควรเจริญเขาให้มากขึ้นนะเช่นนะความอดทนอดกั้นเนี่ยก็เป็นกนะุศลนธรรมเราทำอะไรเราก็มีความอดทนอดกั้นนะต่อความร้อนต่อความหนาวต่อความเหนวต่อความเหนื่อยนะต่อความยากลําบากนะ เรามีความอดทนอดกั้นเข้ามาเสริมเรามีความขยันนขยันคือมันไม่ใช่แค่ทนนะแต่มันไม่ท้อทนบางทีอาจจะท้อในใจนะนะแต่ความขยันมันเพียรเนี่ยมันก็คือมันท้อแต่เราไม่ถอยอืเราไม่ถอยคือถ้าทําไปเรื่อยๆจนกระทังมันรู้สึกว่าทําจะทำมันเกิดความรัก นะหรือว่าเกิดความพอใจที่จะทำนะมันก็จะเป็นความเพียรที่ที่ถูกทางมากขึ้นนะนะไม่ใช่เพียงแค่อดทนนะแต่มันเป็นความพอใจที่จะฝึกฝนตนกนะารพอใจที่จะฝึกฝนตนเนะี่ยมันจะทำให้เรามีพลังในการที่จะทำสิ่งดีงามนะถ้าเปรียบสเสมือนแบบถ้าเปรียบกับท้งโรกนะบางคนเช่น มีความขยันหมั่นเพียรเพื่อจะอเรียนหนังสือหรือเพื่อที่จะประกอบอาชีพการงานต่างเพื่อเพื่อหวังว่าชีวิตตัวเองจะได้ไม่ลาบากะจะได้ไม่ยากจนไม่ขัดส น, นหรือทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อครอบครัวเพื่อให้พ่อแม่ไม่ลาบากเพื่อให้พ่อแม่มีอยู่มีกินอะไรพวกนี้ คือทางโลกก็คือเรามีความขยันมั่นเพียรมีความอดทนอดกั้นนะเพื่อจะได้สร้างฐานนะให้มันคงขึ้นให้ไม่เหลือดร้อนนะที่จริงในใจของเราก็เหมือนกันนะบางทีในใจของเราเราก็ต้องมีความเพียรมีความขยันเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราดูว่าบางทีความคิดหรืออกุศนละนะ กเลต่างๆเนะี่ยมันก็คล้ายๆคอยที่จะเข้ามาแทรกแทงในจิตใจของเราได้บ่อยๆเนาะเราเองก็ต้องทำความเพียรเพื่อที่จะเรียกว่าคอยมีสติคอยรู้ทันมันให้นะมันมีกำลังนะพอที่จะนะละอกุศลไดนะ้มีกำลังพอที่จะข้ามมันได้ หรือถ้ามันมีกำลังมากกว่านั้นมันก็แค่เห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นมันได้นะเพราะว่าชีวิตเราจะประมาทไม่ได้เนาะนะใช่ว่าเราบวชมาแล้วอกุณสนจะไม่เกิดขึ้นในใจใช่ว่าบวชมาแล้วความทุกข์จะไม่มานะย่ำเยือกจิตใจของเรานะมันมันต้องเจอแน่นอนแหละนะไม่ว่าเราจะบวชหรือไม่บวชเนะี่ย กิเลสหรืออกุศลหรือความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาเ่ชอบเข้ามาครอบงำหรือเข้ามาแทรกแซงปิตใจเราก็มีเพียงแค่มีวิธีเดียวนยในการที่คอยรู้ทันเขาคอยรู้ทันเขาแล้วก็ไม่ไปคบค้าสมาคมกับเขาแต่เรามาคบค้าสมาคมกับ กุศลนะแต่ไม่ใช่การครบไม่ใช่ว่าการคิดหรือการคอเคียรนะแต่คือการรู้สดสร้างอสร้างกุศลขึ้นในใจของเรานะสร้างความขยันมันเพียรขึ้นในใจของเรานะสร้างความพอใจในการที่นะจะทำนะเรื่องดีๆนะนะเช่นประกอบด้วยสตินะมีสมาธนะิพอใจที่จะทำ พอเรามีความพอใจบ่อยๆเนี่ยปัญญาในการเข้าใจความจริงก็จะแจ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะล้วก็จะเราก็จะเป็นผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นกับสภาวะธรรมต่ า, างๆอันนี้หละคือเราก็พ <c oughs> ยายามนะอย่าไปกบกับคนพานทั้งภายนอกทั้งภายในนะ ให้รจักพบบัณฑิตทั้งภายนอกภายในนะจิตใจของเราก็จะค่อยๆห่างนะห่างจากอากุศลขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะวันวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้นะเราก็ไม่ต้องห้ามมันแต่เป็นนะว่าการไม่พบก็คือการไม่ไม่ตามมันนะคล้ายๆทัดเปรียบเหมือนทางโลกนะเพื่อ น, นชวนไปกินเหล้าชวน ชวนไปเล่นการสนันนะเราก็ห้ามเพื่อนให้มาชวนไม่ได้นะเพื่อนนั้นคือเพื่อนในทางไม่ดีแล้วก็ชักชวนไปทางที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามเขาแต่เราก็เพียงแค่ปฏิเสธไม่ไปกับเขาอแต่ปฏิเสธก็ไม่ใช่ปฏิเสธแบบดุดาว่ากล่าวเขาเราก็แค่เฉยๆนะเราก็แค่เฉยๆหรือเราก็แค่บอกว่า เรามีความตั้งใจจะทำอะไรที่ไปทางที่ดีนะเราก็ไม่ทำตามทางที่ไม่ดีก็แค่นั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันนะไม่มีอะโกโซนเกิดขึ้นเพื่ อ, อชักชวนจิตในทางที่ต่าลงไปหรือว่าในทางที่มันทุกข์หรือทางที่ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนทำให้คนอื่นก็ทุกขนะ์เราก็แค่ดูมันนะบางทีมันก็เป็นเพียงแค่ความคิด มันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่ยๆนะสภาวธรรมบางทีเราก็ต้องบางใจเป็นกลางกับมันบางทีพอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วมันบางคนก็จะรู้สึกตัวเองคิดไม่ดีเลยลบลู่ครบาอาจา ร, า ร, า ร, ราาาย์หรือว่าลบรลู่พระรรสนตยหรือว่ามีความคิดรามกอปุสนเยอะแยะมากมายในใจิตใจ บางทีมันก็ห้ามไม่ได้หรือบางทีมันก็เกิดขึ้นมาบ้างนะแต่เราก็ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นในใจเนาะนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ดูไปเราไม่ทําตามมันเราไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาไปนคะล้ายๆเหมือนกับต้นไม้ที่ที่เราไม่รดน้ําดูแลนะ กวันถ้ามันมันไม่ได้อาหารมันไม่ได้การดูแลมันก็จะค่อยๆตายไปเองอกุศลก็เหมือนกันนะเราไม่ไปให้อาหารเขานดโดยการที่เราไปสนใจเขาหรือว่าเราไปพอใจเขาอันนั้นแหละอคุศล่ได้เหี่ยวไปหรือแม้แต่ถ้าบางครั้งเราไปไม่พอใจเขานะมันก็ยิ่งทำเขา พ่อคูณขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะเออมันก็ทำให้คล้ายๆเหมือนกับตอนเราเป็นเด็กนะเวลามีเพื่อนมาแกล้เพื่อนมารอนะยิ่งเราแสดงอาการแบบไม่พอใจเนี่ยกระปัดกระเสียดนะเพื่อนก็ยิ่งแกล้เพื่อนก็ยิ่งร้อไปใหญ่นะเพราะมันชอบใจนะที่พอแย่เราแล้วเรามีปฏิกิริยา แต่ถ้าเพื่อนมาแกล้งเพื่อนมาร้อเราเฉยๆ เ, เรานิ่งๆเนี่ยสักวันเนี่ยเพื่อนคนที่มาร้อมาแย่มันก็จะค่อยๆถอยไปเพราะมันรู้สึกไม่เห็นสนุกเลยหรือว่าไม่ได้ผลมันก็จะค่อยๆละไปจิตใจของเราก็เหมือนกันน ะ, นะเวลามีอะไรมามาแย่มาร้อนะให้มันหมันไหวให้มันทุกข์ใจ ถ้าเราก็เพียงแค่เฉยๆดูมันนะไม่ปฏิเสธไม่ตอบโต้อะไรก็เฉยๆไปนะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆอจากไปนะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเป็นวิธีที่เราไปใช้พลังใช้อะไรข่มนะมันก็มันก็แค่จุดเพียงแค่ชั่วคราวเนอว่าหนึ่งปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาตามมาอื่นๆอีกมากมาย จิตขอเราก็เหมือนกันเราไม่ใช้วิธีการขม่มอารมณ์นะแต่เราใช้วิธีเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนมาหามาหาฐานมหางานมหากรรมฐานที่เราทำํำเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่จะเป็นหมกมุ่นกับความคิดนะแล้วก็มาเปลี่ยนในการมารู้ตัวมารู้ร่างกายนะที่เคลื่อนไหวรู้ ว่ากำลังทำอะไรอยู่จิตนนมันก็จะเปลี่ยนออกมาเปลี่ยนออกมาหรือแม้บางทีมีเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้นะ ม, นมีเวทนาความปวดความหิวความเจ็บแต่เราก็ไม่ไปให้ค่ามันมากเราก็เปลี่ยนกลับมารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกถึงการทำการทำงานางต่างๆจิตมันก็จะดูดออกมาจากจากเวทนานั้น จิตใจก็เหมือนกันนหละนะอารมณ์ความคิดมันเกิดขึ้นเราก็ปล่อยให้มันคิดข้างในเนะี่ยแต่เราไม่ไปหน้าไม่ไปรําคานมนะันเราก็มันจะคิดกระช่างมันนะเราก็จะกลับมารู้ตัวเนะี่ยอันนี้เป็นการเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานของจิตเนาะนะถ้าจะเปรียบคร่าวๆเนาะเหมือนคล้ายๆมันมี มีกายมีจิตนะแล้วก็มีความคิดนะส่วนใหญ่นะบางทีนะจิตมันมักจะอยู่กับความคิดนะจิตมันเลยไม่ค่อยรู้สึกถึงกายนะมันมีสามสามตัวนะมีมีความคิดมีจิตแล้วก็มีกายเนะแล้วก็เปลี่ยงแคเปลี่ยนเอาจิตเนะี่ยมาอยู่กับกาย จิตมันก็จะไม่อยู่กับความคิดแล้วเรียกว่าเปลี่ยนฐานเมื่อจิตมาอยู่กับกายแล้วมันจะเห็นความคิดอีกทีหนึ่งอ๋อมันเหมือนเหมือนบ้านนะมันมีบ้านอยู่สองหลังนะบ้านของกายกับบ้านของความคิดนคนถ้าหลงไปก็มักจะลงไปอยู่ในบ้านของความคิดความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจก็ลงไปอยู่ตรงนั้นเราก็เลยมองน่ะ เราก็เลยโจมอยู่กับตรงนั้นแต่เราก็มาเปลี่ยนหาบ้านของกายนะบ้านที่เกิดความรู้สึกตัวมันก็หลุดออกจากความคิดแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนแบบเนี้ยบ่อยๆนะเราทําอะไรก็พยายามกลัมาทาเนะี่ยเราจะเข้าใจเออสภาวะต่ธรรมตาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งออจะใช้กับเรื่องทางโลกนะ ใช้กับการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ได้เนาะโดยใช้ในการเจริญในธรรมนะเป็นสภาวะธรรมที่ลึกซึ้งก็ได้นะบางทีความหมายของธรรมะบางอย่างนะอย่างเช่นความกตัญจูเลี้ยงดูมันดาบิดานะ ม, มันดาบิดาทางโลกนะเราก็มีนะเราก็ บำรุงเลี้ยงดูดูแลบ้างตามเหตุปัจจัยที่เราทำได้นะเราก็ทำหน้าที่ของเราที่จริงก็ยังมีมารดาบิดาในทางธรรมนะเช่นอุปชาหรือครูบาอาจารย์นะที่คอยสอนหรือว่าคอยนะเป็นการมิตรเราในทางที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักนะประตันยูปัตเเวทีนะหรือว่าแม้แต่ เป็นมารดาบิดาที่เป็นเรื่องคุณธรรมเลยเนี่ยก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกนคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยถือว่าเป็นพ่อแม่นะเป็นมารดาบิดาตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าธรรมที่มีมีอุปการะมากนะผู้ะพุทธเจ้าท่านบอกธรรมที่มีอุปการะมากคือสติและสัมปชัญญะ สติคือความรู้ตัวเกิดความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีอุปการะมา ก, กอะไรเปรียบเสมือนกับพ่อแม่นะที่มีอุปการะมากกับบุตรสติและสัมปชัญญะก็เหมือนกันเปรียบเสมือนกับพ่อแม่ที่เรียกว่าทําให้กุศลต่างๆมันจะเดินงอกงามขึ้นนะหรือว่าดึงกุศลต่างๆเข้ามาในจิตในใจมากขึ้นอันนี้ย เป็นธรรมที่มีอปค์การละมากที่เราก็ต้องดูแลนะเราก็ต้องรักษาตอบแทนบุญคุณนะคุณธรรมตรงนี้ในใจของเราเนอะนี่แหละคือสภาวธรรมต่างๆมนาะให้เราถ้าเรานะคอยดูตัวเองบ่อยๆนะจะทำอะไรก็ดูตัวเองบ่อยๆนะเราก็จะเข้าใจว่าที่จริงมันมีความหมายลึกซึ้งมากนะจะทำอะไรเนะี่ย ทำไปแล้วมันจะเป็นทำให้เกิดปัญญาได้ทั้งนั้นเลยมแนนะม้แต่เราทำงานนะแม้แต่เราทำงานมันก็ไม่ใช่เพียงเพื่อว่าแต่ก่อนเราทางานทำโลกเราจะคิดฝังผลตอบแทนที่เป็นเงินทองเป็นตาแหน่งเป็นชื่อเสียงเกียทตนะิยศเนาะบางคนก็ทำแบบนั้นแต่บางคนก็อาจจะทำ ทำงานเพื่ออยากให้งานออกมาดีนะเพื่อให้งานนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่ น, นอันนั้นก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่จริงถ้าเราทำงานนะทำงานเพื่องานทำงานแล้วก็เพื่อสระตัวตนไปด้วยน ะ, นะไม่ทำเพื่อหวังจะเอาอะไรนะเช่นเราสร้างวัดสร้างวาเราก็ไม่คิดว่าอันนี้คือวัดของเราเนาะ เราก็เพียงแค่ถ้าถ้าเราพิจนาดีๆนะชีวิตเราจะเกินต่อไปอีกสักหกสิบเจ็ดสิบปีมันจะถึงแล้วนะร่างกายของเราอาจจะแตกดับไปก่อนวัดหรือว่าอาสมที่เราสร้างไม่แต่บ้านเมือนที่อยู่อาศัยที่เรามีก็เหมือนกันมันก็มีอายุยืนานานกว่าเรานะโลกใบนี้คงจะมีอายุยืนยืนานานกว่าชีวิตในน้อยนี้ของเราเนะ่ แต่เราคิดว่าเราจะทําแล้วเอามาเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของเราจริงๆหรอกเพราะชีวิตเรามันมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องหวังว่ามันจะเป็นมรดกของลูกของหลานในต่อไปนะแต่ทางโลกเขาก็อาจจะคิดหวังทําแบบนั้นอยู่บ้างนะก็ทําได้นะ แต่ที่จริงมันก็ลูกหลานก็ฝึอไปฟิงแค่ชั่วงขณะแล้วก็ต้องต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยถ้าจะว่าจริงก็คือชีวิตมนุษย์เราเหมือนก็เหมือนคายไม่สามารถจะเอาอะไรได้ไปจริงจังเนาะมนไม่มีอะไรจะเอาไปได้จริงๆริงทั้งวัตถุภายนอกหรือเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่แหละมันเป็นมันเป็นตัวไม่เที่ยงมันเป็นตัวเป็นทุกข์ เไม่เทียงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์มันต้องสุดท้ายก็ต้องตายไปเราก็ไม่สามารถจะเอาอะไรได้จริงๆไม่ใช่ตัวตนของเราจริงถ้าเราเห็นนั่นมันก็เราทำอะไรมันก็ไปไม่ได้จริงจริงนะแต่เราก็ยังต้องแต่เราก็ยังทำนะไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเมื่อทำอะไรเอาไปไม่ได้ล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คนที่มีใจไปทธรรมนะ มันจะทำเพื่อทำนะทาทอทงนะทาทอทหารทําทอทหารเพื่อทอทงนะนะจะทําอะไรก็ทําเพื่อธรรมะนะทําเพื่อลดละกิเลสนะจะ ท, นะทานั้นก็ทํางานทําการก็ถ้าจะคิดก็คิดเหมือนที่ใครทําทถวายนะเช่นเราสร้างวัดเราสร้างอาสมเราก็เราจิ้นทาถวายให้กับเนะี่ย พนะุทธันนัตเตนะทําถวายให้กับพระศาสนาทําไปแล้วเราอยู่เราตายเราจากไปก็ไม่เป็นไรเราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วนให้คนอื่นเข้ามาใช้ต่อให้คนอื่นเข้ามาดูแลต่ออันนี้ก็ถือว่ามันก็จบับไม่ต้องทําระวังว่ า, วาอันนี้มันเป็นของของเราอันนี้เราจะต้องอเราจะต้องแบบ รักษาห่วงแหนเข้าไว้ตลอดเป็นเราจัดการทั้งหมดนะในวันี่ยสมมติถ้าถ้าเราคิดแบบในใจเราจะเกิดความทุกข์ใจหรือว่าบางทีมีอะไรมาทดสอบมีอะไรมานั่ยเราก็จะเกิดความขัดใจไึกง่ายๆนะแต่ถ้าเราทําแบบทำมุตระเลยเนยี่ยดูคํคำว่าทานหรือคําว่าบุญเนี่ยทําแล้วก็สระเนี่ยทำทานแล้วก็สระไปเลยเนี่ย เมื่อเราให้อะไรกับใครนะหรือเราทำบนนะุญกับใครเราก็คือเราทำแล้วก็สละแล้ววัตถุสิ่งของที่เราให้ไปแล้วก็ถือว่าเราสละให้กับเขาแล้วนะความดีความงานที่เราทำกับอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้ไปแล้วเราก็วางใจไปพร้อมนะถ้าเราทำาเนะียเราทาแบบวางใจไปพร้อมเนะี่ยมันก็จะสบายนะมันก็จะสบายนะ ไม่ต้องกังวลอนาคตต่อไปมันจะเป็นอะไรยังไงมันก็เรื่องของอนาคตเนะี่แต่เราก็ทำวันนี้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแทนทีนะ่หรือแม้แต่เราอาจจะไม่ทำงานทางโลกนะนะเช่นอนะการสร้างวัดสร้างวาทำประโยชน์ต่อนะคนอื่นนะนะแต่จริงแม้แต่งานภาวานาก็เหมือนกัน เราคนภาวนาแล้วทุกข์เพราะว่าเพราะว่าหวังผลทุกข์เพราะว่าอยากจะเอานะแต่จริงเราภาวนาเพื่อสระเหมือนกันเนะีนะ่ยสระกิเลสเอาไปจากจิตใจไม่ทำเพื่ออยากจะเอานะอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะเห็นอะไรนะถ้าเราทำแล้วมันอยากมากเนะี่ยมันจะทุกข์มากนะ มันจะรู้ึกเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะบุดเมื่อไรจะพ้นสักทีเนะี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ใจมาแต่เราก็ทําแบบสระดาษนะเราทําไปจริงก็ถ้าเราเกิดความศรัทธาในพระนัตไตรจริงนะเราจะทําเหมือนทำถวายนะเมือนอย่างที่เราบอกว่าเนะี่ยเป็นการปฏิบัติบูบชาเพราะว่าปฏิบัติบูชานะี่นะมันเป็นความหมายเราบู เราบูชาด้วยสิ่งของภายนอกนั้นเป็นอารมิตบูชาปฏิบัติบูชาเนี่ยปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อพระธรรมปฏิบัติต่อพระสงฆนะ์บูชาท่านเฉยๆเนี่ยไม่ได้หวังว่ามันจะต้องได้อะไรต้องเป็นอะไรถ้าเราทำแบบนี้มันเหมือนเราก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้ว มันก็จะค่อยลดละกิเลสออกไปจากจิตใจไปเองเนี่ยนั้นคือผลที่มันจะได้โดยที่ไม่ต้องคาดหวังลนะอืแต่ถ้าทำแล้วหวังว่าจะต้องได้อะไรเนี่ยผลที่ได้มันก็คือได้ความทุกข์หรือว่าได้พอกคูณแนวความอยากขึ้นไปมันก็เลยไม่เป็นการละกิเลสนะเป็นการเพิ่มตัญหาแต่เป็นตัญหาที่มันละเอียดขึ้นนะอปัญหาที่อยากจะอื ที่มันละเอียดขึ้นมันก็ต้องเราก็ต้องระนะบางทีแต่พวกนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้ไม่เห็นได้เข้าใจในในหลักการแล้วก็เวลาเราจะทําอะไรก็เหมือนกันเนาะทั้งเรื่องการภาวนา ล, วนล้วนก็ดีหรือว่าเรื่องการทําการทํางานหรือการเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นก็ดีนะให้เราทําด้วยความสระ ทำด้วยความไม่ต้องหวังว่าจะต้องเอาอะไรเพราะชีวิตนี้จริงเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะมันมีแต่เราทําเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราเนี่ยให้มันพ้นจากความทุกข์ถ้าเราทําเช่นนี้ได้นะที่จริงเรื่องข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ลาบากหรอกถ้าเราประพฤติทําเนยเพื่อทําจริงๆเนี่ยทาง อาหารการกินที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่ปัจจัยอื่นเนี่ยไม่ไม่อดอยากแน่นอนเพราะว่าเมื่อเราทำดีแล้วเนี่ยมันก็ย่อมมีคนเห็นมีคนศรัทธามีคนช่วยเหลื อ, อแต่เราก็ไม่ไปติดตรงนั้นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยชีวิตที่คิดแบบนี้มันก็จะไม่ลำบากมันก็จะไม่เดือดร้อนหรือบางคนอาจจะ ไปเกี่ยวข้องกับทางโลกหรือว่า อ, อทํานั้นมันมีวัตถุสิ่งของเป็นของตอัวเองนะมันก็มีนะมันก็รักษามันก็ใช้แต่เมื่อมันหายเมื่อมันเสื่อมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราก็มองให้เป็นเรื่องเรื่องสภาวะธรรมที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเราก็อาศัยนะเราทํา การทำงานก็คือการประพฤติธรรมนี่แหลออะเพราะในธรรมะถ้าจะว่าสรุปโดยย่อยก็คือการละความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือความธรรมะโดยยอด่อยละความเห็นแก่ตัวเพราะว่ากิเลสรือว่าอากรมณ์ส่วใหญ่มันจะมันจะทําให้เรารักรักตัวแบบรักแบบรักแบบห่วงแขน น, นหรือว่าไม่ กลัวความลำบากเนีกลัวความทุกข์แบบนี้นนะแต่ว่าการสระะความเห็นแก่ตัวเนี่ยเราสระัะไปเลยจนะทำอะไรก็คือทำเพื่อสะระนะทำเพื่อไม่เอานะแต่เราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเนี่ยันะคือคือการปฏิบัติธรรมะเนาะเมื่อเราไม่มีตัวกิเลสเนียก็ไม่มีที่ตั้งนะกิเลสไม่มีที่ตั้งนะ ความทุกข์มันก็เลยไม่มีที่ตั้งนะมันก็เลยอาจจะมีแค่ร่างกายที่ทุกข์นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์นะมันก็มีแต่สภาวะกิเลสที่เกิดขึ้นแต่มันไม่มีจิตนะไปรองรับกิเลสนั้นนะกิเลสมันก็เลยไม่มีที่ตั้งนะอันนี้แหละคือคืองานภาวนาที่ที่ยิ่งใหญ่นะของเราเราก็ได้มีโอกาสมาบวช ได้มีการประพฤทธธรรมเนี่ยงานที่ยิ่งใหญ่ตัวเนี้ยคือการสร้างสภาวะพุท ธ, ธะในใจเนาะที่จริงมันก็มีอยู่แล้วแหละเราเพียงแค่กลับมากลับมาคอยรู้สึกนะึงกลับมาสร้างสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสิ่งที่มันให้มันเจริญขึ้นเนี่ยแหละคืองานสร้างวัดที่แท้จริงเนาะงานสร้างเพราะวัดภายนอกมันก็ยัง ผูกพังได้ตามการเวลานยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแต่วัดจริงๆคือใจของเราเนี่ยแหละที่เป็นที่พึ่งคือที่ที่สงบที่ที่้อมเย็นที่ที่ทำให้เราดึก้นได้นยเป็นการสร้างวัดในใจของเราเนี่ยมันจะยั่งยืนเราจะไปไหนมันจะอยู่ที่ไหนนี่มันก็สามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้นี่เราก็ต้อง เด็กถึงตรงนี้นอย่างเสมอนักใสก็จะได้เจเลยงอกนามในในคุณธรรมนะให้สูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อย